สิกขาบทที่8ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งแกว่งแขนในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีนั่งแกว่งแขนในละแวกบ้านในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา